อัดเป็นเพียนที่กายเส้นไหนหรือเปล่กลับมารับทราตรงนี้สติก็เกิดแล้วมันไม่มีอะไรมากกับมาสำรวจว่าขณะนี้ต้องกายอยู่อย่างไรงรู้สึกกันไปในกายเป็นยังไง <c oughs> การเข้ามารรืุกรูร้มาดู มาเหยนมาสัมผัสสิ่งที่กำลังเป็นไปในกายในใจนี้นะหรวสุติที่เรามาพลิกมันขึ้นบรรจงทำเน็ดหนึ่งอีกขึ้นสัมผัสรู้ไว้รู้กาเคลื่อนจิตรู้ใยไว้ใจรู้เปือนนี้ง่าย ได้ยินว่าสมัยหนึ่งมีคนไปถามพระเจ้าพระเจ้าจะมีความพิเศษในการตอบนาคนโดยโรงจะทราบอัจฉริยะใสของคนแต่ละคนพระสูตรแต่ละสูตรย่อมมีสถานการณ์เหตุการณ์เฉพาะเรื่องอย่างกลามาสูตรเ <c oughs> รองทรงตัก ทำกลางปัญหาการสงสัยมีการประกศาศโฆษณาชวนเชื่อวิธีการทฤษฎีของตนเองในขณะเดียวกันก็เกทับวิธีการของผู้อื่นเป็นทำให้ชาวกาลมามชนก็คงรู้สึกว่าถ้าพระศาสดาองค์นี้มาก็คงมันองค์อื่นนั่นแหละ มาพูดว่าของตนเองดีและของคนอื่นไม่ดีไม่รู้จะเชื่อใครดีนี่คือเหตุการณ์สถานัการณ์ตรงนั้นพระเจ้าเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้เชื่อใครแม้เขาอ้างคำพีอ้างตำราอ้างอาจารย์ลงกับความคิดความเห็นของตนเรื่องเราสืบกันมาโดยที่สุดว่าคนคนนี้เป็นครูบาอาจารย์ร้องถึง อย่าพึงเชื่ออย่างนั้นเอเมื่อใดก็ตามเธอได้สมัครานศึกษาฟัางทตำกลมเข้าใจแล้วนํามาตรวจสอบประพฤติปฏิบัติแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นเธอพึงถือเอาตรงนั้นพอทําใดที่เธอนํามาพินพิจารณาแต่งกลองแล้วผู้รู้ตีเตียนนํามาประพฤติปฏิบัติเต็มที่แล้ว พจนธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วยิ่งเจริญเธอไม่พึงถือเอาอย่างนั้นนั้นในสูตรนี้ก็หมายถึงว่าพระเจ้าให้นํามาพิพจิ ต, ตรณาไตรกองเทียบเคียงแล้วลงมือปฏิบัติทราบที่สุดทราบด้วยตนเองว่าอะไรจะเจริญว่าอะไรเสือ่อมพึงถือเอาด้วยการทดลองปฏิบัติอย่างเต็มที่นั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่ ยันในเหตุการณ์อการปฏิบัติสมัยหนึ่งมีความท่านหนึ่งมาตามพระเจ้าอย่าพยายามแสวงหาความอัศจรรย์ความมหศัศจรรย์ในธรรมวิญญย่าถามครูทั้งหกร่วมสมัยมัคริโรสาัสันใจเวรตะบทอาอจิตเกษตกรรมคือท่านเหล่านั้นเป็นครูเป็นาศาสดารุ่นมยุคร่ว ม, มสมัย เราพยายามอธิบายความอศัศจรรย์ของขวัตปฏิบัติของตนเองให้แก่รามพวกนี้ฟังแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอันหนึ่งแล้เขามาหาพุทธเจ้าข่าแต่ลงพเจริญอะไรคือความอศัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้พุทเจ้าทรงประทับนั่งอยู่ก็นั่งเฉยๆนะนั้งเสร็จลงก็ยื น, นเสร็จก็เดินเสร็จก็ประทับนอนให้ดู ก็ขึ้นมานั่งควาเมตต์นั่งนั่งก่อนข้าแต่พระองค์ถาแค่กันยืนเดินนั่งนอนคือความมหัศจรรย์ใครๆในโลกนี้ก็มหัศจรรย์หมดนะสิจะต้องรับค่ามคนในโลกนี้มีการยืนการเดินการ น, นั่งการ น, นอนเหมือนกันแต่เราตาคตและอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อ น, นั่งอยู่ย่อมรู้ชักว่านนะั่ง เมื่อยืนเมื่อเดินเมื่อนั่งเมื่อนอน็ร้ชัดแต่คนทั่วไปนั่งก็ไม่รู้ว่าตัวเอกลังนั่งยืนก็ไม่รู้ว่าตัวเองกลังยืนนี่คือความมสัจจรรย์คนทั่วไปเนี่ยสติของคนทั่วไปก็อยู่ระดับสัญชาตญาณกับสั์ทั้งหลายเหมือนหมาเหมือนแมวเหมืนอนวัวเหมือนควายเดินไปตามสัญชาตญาณกินดื่มเคี้ยวลิ้นตามสัญชาตญาณ รู้ตัวตามสัญชาตญาณธรรมาเคยได้รับคำถามแบบนี้บ่อยเมื่อกุ่มกับคนเวลาบอกว่ารู้สึกกลัวนะทำไมฉันจะไม่รู้สึกกลัวถ้าไม่รู้สึกตัวฉันก็เป็นบ้าก็สรุปสิความรู้สึกตัวในความหมายของสัญชาตญาณกับความรู้สึกตัวที่เป็นสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานนั้นคนละเรื่องกันถ้าเราไม่สนุกใจเรารู้สึกตัว เราไม่หลับไหลเราไม่เมาไมา้นั่นเป็นความรู้สึกตัวระดับสัญชาตญาณในความรู้สึกตัวในระดับอิกระพิตรารู้สึกเคื่อนน้ํำลายรู้สึกหายเจเข้าออกรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกความคิดที่มันบขึ้นมาเรารู้สึกนี่เป็นความรู้ตัวตื่นตัวหมาแมวเอาวัวควายเนะี่ยเราอาจจะฝึกให้มันทํานาได้ ปุ่งใมันแสแดงอาการเรียนแบบอย่างนั้นอย่างนี้นดแต่เราไม่สามารถบอกให้ควายรู้สึกตัวได้ควายก้าวเท้าขวารู้สึกนะเหลียวซ้ายรู้สึกเหลียวขวารู้สึกหาใจเข้ารู้สึกนะเราไม่สามารถบอกสัตว์ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่พัฒนาความรู้สึกตัวใ น, น, นระดับสัญชาตญาณสุขความรู้สึกระดับสติปัฏฐานหรือความรู้สึกในระดับที่เป็นวิปัสสนาปัญญานั่นในความรู้สึกตัวในน้อย ยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้ตัวอย่างสมบูรณ์เนี่ยเป็น <c oughs> เป็นเบื้องต้นของพุทธภาวะคือถ้าเราไปดูศิลปะโบราณอี่ยวกับพุทธศิลป์ต่างๆพระพุทธรูปไม่ว่าจะปางยืนเดินนั่งนอนอันนี้มีมัน ย, ยืนก็จะยืนบนดอกบวัวนั่งก็จะนั่งบนดอกบวัว พระทับนอนก็จะบนดอกบวกัวไม่มีปางไหนยืนบนหลังต่อไม่นีปางไหนยืนบนหลังมา้าเทพเจ้าอืนอ่นๆอาจจะมีแต่พุทธศินไม่ว่าจะปางไหนคือเอียบบทใดของพระาศาสดาจะเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะที่เรียกว่าพุทธสภาวะพุทธสภาวะมีอยู่สามประการรู้ตื่นเมตตานแล้วก็จะประกอบด้วยบริสุทธิ์อิคน ปัญญาที่คุณกรุณาที่คุณการแสดงธรรมบัญญัติเพภายในด้วยพระมหากรุณาที่คุณบนพื้นฐานขอความรู้สุดหมดจดที่จิตไม่เศราหมองมีความเบิก บ, บานผองใสมีความเป็นอิสระมีปัญญารู้ทั้งทันความจิตนั้นเวลานรปฏิบัตินี้นี่คือการเดินตามรอยพระาศาสดาสมัยหนึ่งพระเจ้าเคยตัดเตือนอีกสุดทั้งหลายเตืทั้งหลายจงโคจรไปตามทางแห่งบิดา อย่าออกนอกของนอกทางของบิดานะโคจรแห่งบิดาของตนคืออะไรโคจรแห่งบิดาของตนคือสติปัฏฐานทัทธิคือการมีความรู้เนื้อรู้ตัวเห็ น, ก า, นาากายเวทนาจิตและธรรมธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี้ก็เป็นภาษาบาดีก็คือแจกสภาพคนออกมาเป็นสี่ส่วนเพื่อการฟอบุนนั่นเองธรรมสติปัฏฐานลัทธิกายเวทนาจิตธรรมก็คือคนคนหนึ่งนั่นเอง ในส่วนนี้ฤธมรมคที่เป็นภระปรมาตตาสัจจะจะเป็นการชี้ตรงเข้าไปสู่กายใจโดยตรงและชี้เข้าไปเพื่อให้เราดูเองส่วนไหนคือส่วนกายส่วนไหนคือส่วนเหตตาส่วนไหนคือส่วนของจิตส่วนไหนคือส่วนของธรรมก็คือสภาวะของเราเนี่ยที่เป็นก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยมีสภาพอาการเคลื่อนไหวของรูปภายนอกความเคลื่อนไหวของนามธรรมภายใน เป็นความรู้สึกนึกคิดดังนั้นดูสติปัฏฐานก็คือดูตัวเองนั่นเองการเรียนรู้ธรรมะคือการเรียนรู้ตัวเองเห็นธรรมะคือการเห็นตัวเองสัมมาทิฏฐิเห็นโถคือเห็นว่าขณะนี้กายตั้งอยู่อย่างไรความรู้สึกที่เป็นไปในกายในใจนี้คืออย่างไรเพราะกายนี้คือทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีอะไรนอกจากกายกับใจ อันนั้นคําว่าสัมมาทิฏฐินี่คือการเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไกายกับใจนี่คืออริยสัจภุคค่ะอริยสัจคือกายกับใจอันนี้กายนั่งนานก็ต้องทิพตาต้องปวดต้องเม่ยต้องเปลี่ยนยาปดกายใจเพราะการที่ให้มามกาหนดรู้หรือว่ามารู้สึกกับการเคลื่อนไหวมาดู ก, กายมารู้สึกอันนี้คือมาเริ่มต้นการปฏิบัติจิตในอริยสัจ ทุกขเรียสัตว์คือกายกับใจที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนยนันการมารู้สึกตัวมาเคลื่อนไหวเคือการมากําหนดรู้ในทุกขเริยสัตย์จิตในเริยสัตว์ทุกต้องกําหนดรู้รูปเคลื่อนไหวรูปหรือกายนี้เป็นก้อนทุกที่ต้องถูกรู้จิตที่มันคิดนึกเคลื่อนไหวมันเป็นทุกข์ะฉะนั้นการรู้กายรู้ใจรู้สึกตัวจึงเป็นการ กำหนดรู้ทุกในอริยสัจสมุทัยคือความพอใจไม่พอใจที่เรียกว่าตัณหาในขณะที่เราเคลื่อนไหวเดินจงกลมเดินไปเดินมาความรู้สึกพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นถอนออกจากความพอใจและไม่พอใจนะั้นเวลาเกิดความพอใจไม่พอใจเราถอยออกจึงให้รู้ซื้อๆรู้เชยๆนั้นจึงทาเหตุของอริยสัจทั้งสี่พรู้สมุทัยให้ลัก ทำสองส่วนนี้จบในเรื่องของการทํำบ่อยๆนั่นแหะคือตัวมัดตัวนิโรธมันเป็นหลักกลิศหนึ่งขนาหนึ่งเมื่อไใดเราถอนออกจากตัญหาคือความพอใจนี่พอใจก็จะเกิดสภาพนิโรธ น, น้อย น, น, น้อยนิโรธน้อยน้อยจนถึงความสมบูรณ์ที่ญาติปัญญาทำ ง, งานทัง้งนั้นเมื่อกล่าวโดยเชิงทฤษฎีเนี่ยเรื่องการทาความรู้สึกตัวนั้นนะเป็นการขามวดหลักปฏิบัติทั้งสติปัฏฐานทั้งมรรคมีองค์แปดทั้ง อริยสัตย์อยู่ในนี้เนี่ยอุที่สุมากแล้วหัวโตดูสภาวะมากๆเลยใจจะโตคืออะไรเกิดขึ้นร้อนก็แค่ร้อนหนาวก็แค่หนาวหิวก็แค่หิวปวดก็แค่ปวดฟุ้ก็แค่ฟุ้โดยที่สุดสงบก็แค่สงบการดำ้สึกตัวจะเป็นการดูเข้าไปตรงๆ รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรูโดยไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องมีความคิดความเห็นไม่ต้องเอาผิดเอาถูกว่าให้สภาวะธรรมชาติมันแสดงตัวของกรอบแห่งความคิดเห็นเป็นกรอบของสมมุติเพิกถอนความคิดความเห็นความถูกความผิดไปดูอาการตรงๆเพื่อนไหวลวน้นลวนพิษดาล้นลวนลว น, นั่งกับพวกสัมผัสเป็นรู้ล้นรู้รู้ซื้อโรู้เฉย เราทั่วไปจะคุ้นเคยกับการเวลาจะทําอะไรมักตั้งเป้าว่าจะเข้าถึงอะไรนี่คือความเคยชินบนเดิมๆเพราะทำไปเพื่อจะได้อะไรแต่การปฏิบัติให้สัมผัสสภาวะธรรมแท้ๆเนี่ยไม่มีการรอคอยหรือคาดหวังอะไรนั่งล้วนๆเห็นไหมนั่งเพียงเพื่อที่จะนั่งอย่านั่งเพื่อได้อะไรหรือรอคอยอะไร เดินล้ น, ลน้วนเดินเท่านั้นก็พอกยกมือเอาอะไรได้ให้ยกมือเฉยๆ เ, เป็นไหมย่ายยกเพื่อจะได้อะไรทำได้ไหมเมื่อไหร่มันจะเกิดปัญญามันจะอะไรว่ารู้แล้วจิตเรก็ต้องการคาตอบอะไรเชิงเหตุผลที่ น, นลองความรู้ตัวล้วนล้วนทุ่นๆอันนี้มันสงม มันเรียนตัวกันเข้าตูวสิถ้าแค่ความรู้สึกตัวสดๆลุ้นๆรู้รู้รู้ชื้อชเ้อรู้ลุ้นลุ้ น, น, นให้กายกระจายสมัมผัสกันลุ้นลุนสิบนาทีลุ้นๆุ้นที่ไม่มีอะไรแทรกเลยไม่ง่วงไม่ซึมไม่ฟุง้งแทรกเลยจะเกิดอะไรถ้าชั่วโมงมีแต่ความรู้ตัวสดๆลุ้นๆไม่มีหน้าไม่มีหลังมันจะเกิดอะไรอ้าวันทั้งวันที่มีแต่ตัวรู้ลุ้นลุ้นจะเกิดอะไร ถ้าทาอาทิตย์บางรู้ตัวร้วมๆสมบูรณ์มันทำตัวนี้ให้สมบูรณ์อย่าไปต้องการคําตอบเชิงเหตุผลอะไรหรือถ้าต้องการคําตอบเชิงเหตุผลวาอาจารย์นักเขียนว่าดีเยอะแยะแต่ถ้าจะฝึกฝึกให้เป็นทิ้งเหตุทิ้งผลอย่าตั้งคําถามหรืขอขนไข่หาคําตอบถ้าความสงสัยปวดโผลขึ้นมาแค่รู้ว่าความคิดอันหนึ่งปวดโผลขึ้นมา ถ้ามันได้คำตอบอะไรขึ้นมาก็แค่ความคิดอันหนที่เคลื่อนไหวออกมาตอนนั้นเองมันไม่ได้มีค่าอะไรกว่ากันความสงสัยเป็นอาการของจิตทีนิดหนึง่งคำตอบที่ได้มาก็แค่อาการของจิตทีนิดนึงเป็นเพียงสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้ถูกเขียนเท่ากันมันจึงเห็นความรู้สึกตรงๆเฉยๆความฟุง้งซ่านก็แค่ความรู้สึกทนิดหนึ่งที่เกิดกากจิตที่ถูกรู้ถูกรู้ร ความสงบเงียบบ้างล่งๆคงๆจะไปดีใจอะไรกับมัน <c oughs> สมัยหนึ่งเคยมีครับเคยฝึกพุทธโตมาหลายปีท่านชวนไ ป, ปเที่ยวมรตมาอยู่ที่จังหวัดแพร่มันก็ไปปฏิบัติท่านขอเข้าเก็บปฏิบัติหลพ่อขอเจ็บอารมณ์ท่านก็เป็นภาพอันสาเลยคือท่านเหยนยกมือแล้วท่านไม่ชอ ว่ากระดูกไม่เป็นวัฏฏะจริงีกก็เลยนะผมทําแค่นี้แค่นี้ได้ไหมไม่ต้องครบสี่สีได้ไหมเงื้อไข่ยเยอะอะไรก็ได้ตีรังกาย ก, ก็ได้ทํานนีน่หมดท่านรู้สึกตัวร่าง ก, กายกับใจสองอันใช่ได้ทีนี้ท่านก็แอบก็เป็นนั่งแล้วก็ปล่อยเป็นผู้ใหญ่นี่คืปกติท่านก็ยกบ้างนั่งพูดตัวก็ มันก็ยกไปยกมานั่งพุโทโธมันก็มีข้อจํากัดเลยท่ว่าเรานั่งได้สิบชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เหน็บชานันก็เลยมายกยกอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆคนนี้โตมากๆไม่อยากถุกสอนมันก็แอบเท่าทาไปทํามาเนี่ยทาได้สีห้าวันเนะี่ะท่านเกิดปีตีคือ่ปีตินี่มันมากที่ท่านทําพุโทโธก็เกิดนัตติแต่อันนี้มันออกมา แล้วก็ยังมีปิติอยู่มากอยู่มันก็เลยพูดกับพระเพื่อนที่นำมามันก็ไม่ไม่จะพูดกับตามาทั้ไแต่อา จ, จารย์ไปสอบอารมณ์หลงพี่ท่านหน่อยผมว่าท่านเจออะไรบ้างแล้วนะมันก็เลยตามาได้เข้าไปเยี่ยม มันก็คุยผมโอ้โหปีจีมากเลยผมทําพูดตัวก็ปีตินะแต่อันนี้มากกว่านานกว่าผอไม่เคยเจออย่างนี้เลยนองเถอะปีจีกับปวดขี้ก็ไม่ต่างกันเนอะมันเป็นเพียงอาการศนนหนึ่งที่เกิดกับใจกับจิตประมาก็เลยเดินออกมาปีจีท่านหายเลยว่าท่านโกรธอะไตา อะไรกว่าแเราจะเจอสภาพร่างกายเบาใจเราสู้ขนาดไหนไม่รู้จริงนี่มาบ่นให้ฟังคนนี้ว่าเราไปสำคัญอาการอะไรดีกว่าอะไรทําไมอาการก็แค่อาการเบาก็คือเบาหนักก็คือหนักแน่นอนหนักก็เกิดทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนาก็เป็นสิ่งถ้าสติเข้มแข็งแล้วมันไม่ไปจุ่มเอาอะไรนี่ แต่ปราโมดปีติจะเกิดปวดแต่ไม่ประคับประคอง น, นั้นเวลาปฏิบัติไปนะสามสี่วันเนี้ยอบางท้งเจอความเบากายเบาใจปลงลุ่มชักจิบางคนเนี่ยอยากจะประคองโอ้ยอยากให้มันอยู่นานๆพอมันหายไปอู้หายไปไหนแล้วเมื่อวานนี้ยังเป็นอยู่เลยวันนี้ทําไมไม่เป็นโอน้ไปวนปิดปดีตไปติดอ่ะบางคนเบาไปมากๆเอ๊ต่อไปมันจะเป็นอะไรอีกวะ บอกมาหลายวันแนละ้วมากกว่านี้จะเป็นอะไรแค่นี้หรืออเราอย่าไปแทะเขียดแทะลนัะนะครับอาการอะไรเกิดก็แค่รู้อนะันนั้นเดี๋ยก็รู้สึกตัวไว้ความรู้สึกตัวถ้าให้มั่นคงให้เข้มแข็งนะพออาการทางกายอาการทางใจอะไรเกิดถ้าเราไปยุ่งกับอาการมากเกินไปเนะี่ยเดี๋ยวมันจบคน เพระเช้าเช้าสบายเพราะอากาศดียกมือไปสบายมันมีง่วงไมส่มสบายรู้สึกว่าเพบ่ายๆผากามันเพลียนร้อนอบพาวขึ้นมาปวดเมื่อยขึ้นมาโดวยเว่าะทำยาวๆนานๆธรรมชาติองจิตให้มันทําอะไรซ้ําๆนานๆเนี่ยมันจะเหนืนา น, านมันจะเกลียดฟ้าหรือว่ามันไม่อยากทําต่อนั้นถ้าความรู้สึกตัวไม่เข้มแข็ง ม, ม, มันจะเป็นไปกับอากาศนั้นตอบหลักให้ดีนะ อย่าเอาอะไรอย่าอยากรู้อะไรมากให้รู้สึกตัวให้มั่นยำทําการบ้านข้อเดียวนี้ให้ชัดเจนแม่นยำแค่เจ็ดวันเนี่ยยังไม่มากเลยนะนี่เราจะต้องพัฒนาต่อไปเป็นสมาธิปัญญาอะไรไหมเนี่ยสึกอะไรมันบ้างตั้งแต่เตือนนอนจนถึงหลับนอนทําความรู้สึกตัวนี้ให้สนิทเป็นเลนเยอร์แล้วทำสบายๆเล่นๆทาจนพอออกนอกรูปแบบปั๊มันกลับมาเองนะ มีบ้างหรือยังตื่นขึ้นมาปั๊บเพอๆอยู่จากแฟนสิฟันน่ะมันเริ่มรู้ตัวเนี่ยเป็นบ้างหรือยังเดินเดินไปเรื่มๆพอใส่รองเท้าปั๊บมันสัมผัสกลับมารู้เองเป็นหรือยังเดินเดินไปเรื่นมาคุยคุยกันพอเพื่อนหยุดพูดปั๊บมันกลับมาเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นเรือยางเดินไปเดินมาจับแก้วน้ำปั๊บสัมผัสครับถ้ามันเริ่มติดออกมาอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันเริ่มมันเริ่มมาติดพอเรื่องมันเริ่มจำสภาวะทำได้ มาเริ่มคุ้นชินจำสภาวะทรรได้ทีระสัญญาเป็นเหตุใกล้ของสติสัมปชัญญะอนนบบานะิสสัพบารีก่นะแต่ภาษาก็คือว่ามันจำอา ก, การที่เราสอนให้มันจำคือที่เราใส่ใจรู้สึกเนี่ยคือสร้างความคุม้นชินชนิดนึงมาเริ่มจำอันนี้ได้ไหมพอมรึมกกลับมาพลิปตายืนเดินแ ล, ล้วก่อนมาเริ่มจำอันนี้ได้ไหมถํมาเริ่มจำได้เรียกว่ามาเริ่มคุ้นชินทำตั้งแต่ ใส่ใจรู้จนมันเริ่มจิตเริ่มจิตมามตอนมัเปิดแล้วมันกลับมาอีกเปิดแล้วมันกลับมาอีกจนมันเริ่มชำนิชำนาญมันกลายเป็นความสนิทแนบแน่แนการฝึกจิตเราเหมือนสมมติเราเราปฏิบัติจิตรัตติให้กายกับใจมาคุ้นชินกันนีมันเหมือนกับใหม่ๆนี้เราสมมติเราไปติดต่องานในหน่วยงานสําคัญๆหรือว่าไปเจอท่านอธิบดีอย่างนี้ ไปหาท่านใหม่ๆแล้วจะเกรงเป็นตัวรีบไปเลยนะเกรงอึดอัดไม่สบายแต่พอไปด้วยครับาเรียกเข้าพอไปติดต่อกันสิบวันอันไปเดือนหนึ่งผ่านไปคุ้นกันเป็นปีๆเนี่ยมันจะเริ่มเกิดความคลี่คลายสนิทสนมใหม่ๆอาจจะอ้วนยามันก็ตรวจบัดม า, าใครมาพบใครมาไปหาท่านเราก็ตัวรีบตัวเกรงพูดกันไม่สบายแต่เมืม่อไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะกลายเป็นความเคยชินยามันปล่อยผ่านไป อไปหาท่านพักกายกันแบบสนิทสนมนี่อุปม า, าในความรู้สึกตัวใหม่ๆเนี้ยที่เราฝึกเคลื่อนรู้เดี๋ยวก็หลุดไปกับความคิดหลุดไปกับความเบือ่อหลุดไปกับความปวดหลุดไปกับความฟุง้งความฝันรู้ตัวน้อยไม่ง่วงก็คิดไม่คิดก็ง่วงไปสลับมาสลับไปสลับมาหลังจากเราฝึกซ้อมครั้งสามครั้งจะกลายเป็นความคุ้นชินกลายเป็นความสนิทสนมทําให้มันสนิทสนมไม่รู้อะไรเลยก็ได้ ทำตั้งแต่ใส่ใจรู้จนมันถึงจุดที่มันคุ้นจิตกลายเป็นสภาพทิ่เป็นเองรู้ตัวได้อีกแต่มาเน้นจุดนี้นะเน้นจุดเพื่อการทําทําให้มันเป็นแต่ถ้าเราเริ่มสนิทสมแข็งับเนี่ยสภาวะหลากหลายที่เกิดในนี้จะเรียนรู้เองจะเห็นมันเองจิตที่มันปลดปล่อยขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นได้ว่าเวลามันทุกข์เนี่ยพอเราเข้าไปในความคิดเนี่ยเวลาความคิดปลดปล่อยขึ้นมาเราแยกออกแล้วมันเป็นยังไง ขณที่อัตมาฝึกได้สักระยะหนึ่งได้เห็นสภาพอันนี้มาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีช่วงห่งที่มันสมบูรณ์มาอัตมาเขาเก็บอารมณ์สิบห้าวันทําได้สักสิบกว่าวันมันมีช่วงหนึ่งที่เดินตรงกลมมันเนี่ยความคิดอันหนึง่งที่เราเคยทําอะไรไม่ดีเนี่ยมันปวดขึ้นมาพอปดขึ้นมาแวบแล้มันมาเสอนสมองเนี่ยเพราะสมองว่มันเห็นความสมอง แล้ความสมองดับลงมันตีจิตไปเป็นปีติอิ่ใจอย่างเต็มที่อยากสมังพอเห็นความสมองมันตีไปเป็นปีติพอเห็นปีติมันตีกลับมาสู่ความเป็นกลางกลิงมันจะโอ้ชีวิตมีเพียงขณะเดียวขณะที่จิตมีความสุขความทุกข์กับความเฉยเฉยทุกไม่ปรับถ้าความทุกข์เกิดความเฉยเฉยกับความสุขก็หายไปความเฉยเฉยเกิดความสุขกับความทุกข์หายไปขณะหนึ่งของขณะหนึ่งนี้ ชีวิตจริงๆมีเพียงขณะเดียวชีวิตจริงๆมีเพียงขณะเดียวที่กำลังเป็นอยู่สดๆนักปัจจุบันใครไม่ค่อยชอบอยู่กับปัจจุบันลืมตาขึ้นนะแห่งสิ้นิงงมนะีมีคำคาหนึ่งที่คนพูดบ่อยนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันจริงๆมันถูกอยู่นะ อาตมาว่ามันมีคำที่ถูกกว่านั้นอาตม า, าพอเจอเรื่องนี้แล้วอาตม า, าไม่เคยรู้สึกว่าใครอยู่กับอดีตอนาคตได้เลยใครไม่อยู่กับปัจจุบันไม่มีไม่ว่าจะเป็นพระรยาเจ้าหรือปุถุชนเพราะชีวิตนั้นไม่เคยมีอดีตไม่เคยมีอนาคตเรื่องที่เราคิดสมัยเราคิดถึงเรื่องพรุ่งนี้ เฮ้ยวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบเรากลับไปเนี่ยวันที่หนึ่งที่สองทำอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่คิดคิดอันนี้เขาเรียกว่าคิดเรื่องอนาคตใช่ไหมยองที่ยังไม่มาแต่มันก็กําลังคิดว่าคิดถึงเรื่องเดือนที่แล้วปีที่แล้วเคยทํานั่นทานี้เราเรียกว่าคิดถึงเรื่องอะี่แต่จิตเนี่ยมาแสดงปัจจุบันขนาดอยู่สมองชีวิตมีเพียงคะแนดเดียวอยู่แล้วเมื่อเราแยกตัวมาความรู้สึกตัวที่มันสดัดสดมันมันนะ่นคงเนี่ย มันจะเห็นภาพที่ผุดขึ้นนักขนาดนั้นเนี่ยคิดถึงเรื่องอดีตก็กําลังคิดคิดถึงเรื่องอนาคตก็กําลังคิดเมื่อเราเห็นสภาพที่กําลังคิดกําลังทําปรากฏอยู่อย่างมั่นคงเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในใจจะไม่มีความหมายเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้ตูกเห็นดังนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องไปกระทําอะไรกับมันเพียงแต่เติมเราความมั่นคงของสติสัมปชัญญะ ความรู้สึกตัวที่รักหนักพิกมือขึ้นรู้สึกหายไปหายไปเหมือนไม่ได้อะไรนี่แหละแต่เมื่อตามยำ้ำตามซ้ำตามยำ้ำตามซ้ำให้เกิดความคุ้นชินสติจิตของสติคือการระลึกรู้มีความไม่หลงลืมเป็นลักษณะอนึ่งจำได้ว่าขณะนี้กาําลังนั่งคือสัมผัสได้ถ้าใช้คําว่าจําเรามักจะคุ้นเคยกับคําว่าจําคิดจําระลึกกับนึกนี่ต่างกันนึกถึงหน้าคนนั้นนึกถึงหน้านั้นคือ เพื่อนออกไปแต่ถ้าระลึกมันจะตกลงนั้ขณานี้ทิฏตาหายใจตึงร้อนอ่อนแข็งถ้ามันจาจิตของสติคือระลึกมีความไม่ลืมสัมผัสสดสดรักษาลักษณะของมันเมื่อความรู้สึกตัวหรือสติตันีเรียนตัวกันเข้าเรียนตัวกันเข้าสภาพความรู้ตัวที่สารต่อกันเข้าเป็นปอกเป็นรูปโซมันจะแปลสภาพไปเป็นความตั้งมั่น กลายเป็นความรู้ตัวทุกพรองที่สมบูรณ์เขาเรียกว่าสมาธิสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตานะสมาธิไม่ใช่พุโทโธสมาธิไม่ใช่การยกมือนี้ด้วยสมาธิเป็นอาการของจิตที่สัมผัสกับขณะหนึ่งอย่างสมบูรณ์เขาเรียกว่าสภาพที่ตั้งมั่นตั้งมั่นเหมือนต้นเสาที่มันชนไม่ ล, ล้มความง่วงโผเข้ามาก็ดับความคิดโผล่ขึ้นมาก็ผ่า ไม่ชนจิตล้มถ้าคิดก็คิดถึงบ้านโอ้กลัไปนี่จะทําอะไรว่างวหนึ่งสองสามสี่กลับยิ่งคิดโปรแกรมอะไรได้ดีๆนะเด่นตัวผมสั้งางอย่าต่อไปนี้บางคนเนะี่ยมันเห็นชวนสติน ะ, เ, ะเกิดสัตว์าเกิดอล้วมั น, นคิดสร้างสรรค์อะไรอุปแต่์จะทอดกรินผ้าป่าสร้างกุติไปเลื่อเปลือยนะ่นนะจะชวนก้นนั้นก้นนี้มาปฏิบัติจะอัดเทียบอาจารย์ไปอันนั้นมืดสีขาวนําบางเราเนะี่ยต้องทิ้งให้หมด ขวาดทิ้งให้หมดนี่คือเรื่องการชำระ จ, จิตดำไม่เอาขาวไม่เอานี่คือเรื่องของการล้างโอ้ขอด้านี่มันหลงพ่อเปิดคอดอีกไปไกลเลยแต่ถึงคอด้าหรือเปล่าแกจะตายแลย <c oughs> ดูมันไม่ดีนะก่อนมาเนี่ยเอาลเลยเวลาจะมาเนี่ยเรคิดนะว่าตัวหาคนนั้นตวัวหาคนนี้เตรียมของอะไรบ้างคิดคิดคิดพมาถึงก็จะกลับอีกแล้ว กลับจะทำอะไรวะมันมีแต่ชวนเราวิ่งวิ่งวิ่งไปตัดบอกตัดออกตัดบ อ, อ ก, ออกความคิดอะไรปลดปล่อยมาสลับทิ้งสลับคพาว่าสลับทิ้งคือตกมาอยู่กับการขึ้นอยาไปประคองว่าความสงบความเบาความสบายความชัดก็ไม่ต้องยุบให้อยู่กับยานพาหานะอันนี้เหมือนเรานั่งรถจากกรุงเทพมาที่นาราวดีรีสอร์ทหน้าที่ของเราคือขึ้นรถก็พอ คนขับรถว็อ่านี้ในขณะที่ขึ้นรถล้อจะเจอข้างทางเยอะแ ย, ยะผ่านตลาดผ่านลำธารสวยผ่านชุมชนผ่านร่มไม้ผ่านที่จอแจงเหมือนกับเรายกมือสั่งจ อ, องหดในขณะที่เดินทุกมุมสักงจัวัดระหว่างวันนั่นงรถคันนี้รู้สึกกายไหวใจรู้กายไหวใจรู้กบทุกรู้สัมผัสรู้รู้นี่คือนั่งรถกันเนี้เป็นยานยานตัว น, นี้จะนําไปเจออะไรบ้างในราหว่า จเจอร้อนเจปอปวดเจอเมือ่อยเจอเบื่อจเอจอเพียเจอสศกเจอว่างเจอปีติเจออาจใจเจอความคิดฟุ้งฝันความคิดดีบ้างความคิดว่นี่คืออาการข้างทางที่ต้องรู้ผ่านรู้ผ่านรู้่นให้นั่งอยู่บนรถคันนี้บนยานนีนนะ้ทำง่ายๆแค่นี้รู้สึกรู้สึกแล้วผ่านไปทุกอย่างแต่โอ้โล่งๆโดดลงจากรถไปอยู่กับความล่งอะไรโอ้ตรงนี้ป่าไม้ดีจัง วิวสวยมากลงรถซะหน่อยคือเข้าไปประคองเข้าไปยุ่งพอปวดพอเมื่อ ย, อยมันคืออะไรมันยังไงทําไมเหี้ยเขียงเอาแล่ว น, น, น, นี่คือกระโดดขึ้นไปละอ้าวช่วงเย็ยนๆทํากรมเพียงคืลงรถโปง่งๆอิ่มเบากายเบาใจอยากประคองอันแนบบั้นโดดลงจากรถแล้วเจอสวนดอกไม้เจออะไรก็ออกจากรถไปก็ไปประคองไปเล่นไปชมอยู่ข้างหลัง รู้ทิ้งรู้ปล่อยรู้ปล่อยไม่อะไรกับอะไรทั้งนั้นไม่รู้สึกพิเสียษกับอะไรสิ่งนั้นจะผุดัยขึ้นมาก็แค่ถูกรู้ถูกรู้ถูกเห็นบนพื้นฐานของการเคลื่อนไหวใจรู้แล้วมันจะผ่านไปผ่านไปรู้ซึี่รู้เฉยเฉยรู้เจ๋เจนั้นคือมีสติและอุบเบกขาเป็นองค์ธรรมประกอต่อทุกสภาวะการเคลื่อนของรูป ก, ก็ถูกรู้เฉยเฉยการเคลื่อนของนามความรู้สึกนึกคิด สุขใจสบายใจดีใจเสียใจคิดมากคิดน้อยรู้เฉยรู้เฉยรู้ผ่านนี่คือสติและอุเบกขาต่อสภาวะต่าฝึกห้องตัวนี้มันจะเข้าสู่สภาพเอกีภาวะความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองไม่แปลกแยกไม่เป็นสองนะเข้าใจไหมเข้าใจไหม ม, มีใครไม่เข้าใจบ้าง อเอาละ่ะเมื่อเข้าใจแล้วก็ทําให้เข้าในนะทีนี้เราไปกลางไหนเราไปไหนจำไว้เพียงว่าเราไปไหนมาไหนะให้เป็นแนื้อเดียวกันนั้นในช่วงปฏิบัติเนี้ยอย่าเอาอะไรนะไม่ได้ทําเอาดีไม่ได้ทำเอาชั่วกรรมาฐานเป็นเรื่องของการเป็นกรรมที่เหนือกรรมไม่ใช่กรรมดาไม่ใช่กรรมขาวยกมือขึ้นนี่ดีหรือชัว่วเนี้ย มันไม่ได้ดีได้ช่วอะไรนะยกมือก็แค่ยกมือฝึกเหนือดีเหนือช่วยนี่แม้แต่ความคิดสมัยหนึ่งที่ฮิราเจริญสติไปแล้วเห็นเรื่น้ชัดคือว่าเดินลงกรมไปเนี่ยเรื่องไม่ดีในอดีตมันผลดขึ้นมาน่นเมองมันสร้าหมอพอกออกมามันหายมันกระดับหายมันระดัพอสติสมบูรณ์เนี่ยภาพภเดิมที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนสไลด์โผล่ขึ้นมาในแจ้งโผล่ปักแต่ก่อนมันเดินเรื่องพับแล้วเศราหมอง เราไม่น่าอย่างนั้นหนึ่งพอสติเข้มแข็งโฉบมาเรื่องเดิมมันเป็นเพียงอาการรุนร้วนที่โผกกันไม่มีผลกับจิตถ้าไม่เข้าไปในเรื่องไม่มีผิดมีถูกอะไรยจิตก็คือจิตความรู้สึกตัวนี้นั้นตอกย้ำนะไม่ต้องเอาอะไรมากที่ฟังมาทั้งหมดยิ้งไปเลยหยุดอยา ก, กระโจนเข้าไปเรืยเรื่อยเหนผล ทำเล่นๆแ่นี้กินดื่มเคี้ยวลิม้มสองทำเล่นเล่นเหมือนเล่นเกมอะไรสักอย่างนึ่งเกมรู้สึกปวดแค่นั้นไม่รู้แล้วก็นับหนึ่งมือเข้าห้องน้ํานอยู่ลืมก็นับหนึ่งมือนั่งอยู่ลืมก็นับหนึ่งมือแค่นั้นถ้าตัวนี้มันเรียนตัวกันเขา้าเรียนตัวกันเขมันจะแสดงผลมันออกมาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลไม่ใช่เรื่องของจิงตตะมยปัญญามันเป็นเรื่องของการเข้าไปสัมผัสสิ่งนั้นนะทางใจตองมีใครจะถามอะไรไหม ไม่ได้ไม่ได้ปิบัติไปมากมากคำถามหมดไปหมดไปคำถามเมื่อไหร่โยมจะเป็นพระลาหัน์คําตอบมัได้นตนมินไม่ได้อะไรไม่ต้องเป็นอะไรนะไม่ต้องเป็นอะไรทิ้งไปหมดทิ้งไปอมดเราจะมีเลาสักหนชั่วโมงแล้วน่าจะไปเดินเดินถอดเกือบนัดรองเาเพื่อรับทาบสัมผัสที่แตกต่าง แต่ถ้าคนท่านใดไม่หวั่นจริงๆทำแล้วท่อบวงเป็นผู้ดีตีนแดงก็ <c oughs> ใส่ก็ได้ <c oughs> แต่มันหนักเกินไปว่าความตั้งทานแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ารับราบรับะ จะเข้าหองน้ำก่อนก็ไนดะ้เระตั้งแถวรอตรงโน้นะยย น, น, ดดนะครับเ่าเตัดตัวนะ